การให้ทานเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะซึ่งเป็นที่นิยมของชาวุนไทยเป็นอย่างมากจนทั่งตอเรียกว่าทำบุญนี่ก็หลายคนก็นัดงการให้ทานหรือเพ่ะการถวายทานให้กับพระไตราิก ว่าเลี้ยงพระเลี้ยงถวายพระทททัทานที่ดรีวเลี้ยงพระทำบุญเลี้ยงพระเป็นคำที่ติด ป, ปากทาบุญทําทานแต่ว่าการทําบุญชนิดนี้ค น, นไทยชอบพุดไทยเราก็ยังเข้าใจาเรื่คลาดเคลื่อนหรือว่าแม้แต่เข้าใจว่าเมื่อให้ทานเนี่ย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 แน่จะของที่ถวายนั้นไม่ใช่เป็นของตัวเองแต่ว่าให้ด้วยความเลื่อมใสให้ด้วยความศรัทธาด้วยความกคัรญก็ได้เห็เยอะนะอยางมีเรื่องเล่าว่าเจ้าที่ชื่อปาอยาสึกเนะี่ยเด็กก็เป็นคนที่มีวิชาที่ผิแต่ต่อหลังก็หันมามีความเข้าใจที่ถูกต้อง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 มานนกเป็ชีพุทธมานนกนั่นเป็นผู้ถวายมานนกนั้นเป็นผู้ที่มีความเรื่องใสของที่จะรับมอบหมาให้ถวายนั่นก็ไม่ใช่ของตัวนะแต่ว่าก็ถวาด้วยความเคารพด้วยความเรื่องใส่ก็พอกล่าว่าอริสของของบุทนันเนี่ยก็ส่งผลให้ได้ได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง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 เพื่อมีการสอบถามก็ได้ทราบว่าเป็นข้ออนุสงแห่งการที่ดีใจอนุโมทนาในทานของนายวิสาขาอันนี้เรียกว่าปัิตามอนุโมทนาใหม่คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาในความดีความดีนั้นจะเป็นการให้ทานก็ออกตามจะเป็นการรักษาสิ่ก็ตามรวมแล้แต่เป็นสิ่งที่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 เป็นเจ้าภาพในการทอกกระถิ่นเป็นเจ้าที่เจ้าการในการทอดกรถิ่นแต่เนื่องจากคุณเป็นผู้หญิงตอนที่ถวายทอ า, ากรถินก็ให้สารีเป็นคนถวายเดยไม่ได้ถวายกับมือก็มีความสงสัยว่าจะได้บุญไหมอันนี้ก็ถ้าเข้าใจเรื่องบุญอย่างถูกต้องมนอเขเรื่องการให้ทานก็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 มาร่วมกันถวายทานนั้นเนี่ยก็ได้บุญแต่ว่าทาบุญแล้วนี่ถ้าเกิดมีความสงสัยขึ้นมาว่าจะได้บุญหรือเปล่านี่มันกลับได้น้อยนะเพราะว่าความสงสัยมันทำให้จิตเนี่ยไม่ไม่ไม่ผองใสไม่เบิกบานใจไม่เบิกบานเต็มร้อยนี่ความบุญก็กได้น้อยไปด้วย